ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสัตะปะพระภุพภิกขาและบุพภิกขาวันน า, นาพระอมาราพิรคิตะอมโรเกิดวัดบ ร, รมนิวารจนาต่อไปจะเป็นการกล่าวถึงเสงนาสนะปฏิสังยุตตฐาเกี่ยวกับเรื่องของเสงนาสนะ ข้อหนึ่งอย่านั่งอาสนะยาวกับหญิงและบันฑดาะและอุปโตพยัญชนกก็คือคนสองเพศด้วยทรงอนุญาตกาหนดไว้ว่าอานุชานามิพิคเวทาเปตวาปันตะกังมาตุคามังอุปโตพยัญชนะกังอสมานาสันิเกหิสหทีคาสเสนนิสีติตุงว่าเราจะถาคตยอมให้นั่งในอาสนะยาว กับผู้มีอาสนะไม่เสมอกันนอกนั้นยกบรรดอะคือกระเทยและหญิงและอุปโตพยัญชนกคนมีทั้งเพศหญิงเพศชายเหล่านี้เสียพระองค์ทรงอนุญาตไว้ว่าอาสนะใดพอนั่งได้สามคนอาสนะเท่านี้แหลชื่อว่าอาสนะยาวอนุญาตให้นั่งอาสนะยาวได้สําหรับผู้ที่มีอาสนะไม่เสมอกันหมายถึงว่า เป็นผู้ที่ต่างกันสบรภาษาขึ้นไปนี่เรียกว่ามีอาสนะไม่เสมอกันถ้าเป็นนั่งบนเตียงบนตังนี้ไม่ได้ห้ามนั่งกับผู้ที่มีอาสนะไม่เสมอกันแต่ว่าถ้านั่งอาสนะยาวนัอาสนะยาวก็หมายถึงว่านั่งได้สามคนขึ้นไปเนี่ยก็อนุญาตให้นั่งกับผู้ที่มีบราษาต่างกันสามราษาขึ้นไปก็ได้ถ้าเตียงตังนี้อนุญาตให้นั่งได้เฉพาะผู้ที่มีอาสนะเสมอกันเท่านั้นภายในสามภาษาคือต่างกันสองภาษาเนี่นะ สามารถนั่งร่วมกันได้เราก็นั่งได้เฉพาะสองคนเท่านั้นห้ามนั่งสามคนก็อนุญาตสําหรับผูท้ที่มีอาศนยาวนี่นะอาสมานาสนะเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งด้วยกันได้ด้วยคําว่าอนุชานามิภิกขเวยังทินนางปะโหติเอตกังปัจฉิมังดีคาสนังดังนี้อาศนะยาวเช่นนี้ ควรยกหรือได้ก็ตามหรือเป็นของหนักไม่ควรยกหรือได้ก็ตามในอาสนะเช่นนั้นแม้เป็นท่อนกระดานจะนั่งกับอนุสัมปันก็ควรคือจะเป็นนั่งกับพวกเด็กผู้ชายตัวาสามเณรก็ได้ก็แลจะนั่งกับบันเดาะเป็นต้นไม่ควรจะเป็นบรรเดาะเป็นหญิงหรือเป็นกระเทยผู้ใดจะมานั่งด้วยนี่ไม่ควรข้อหนึ่งอย่านั่งที่เตียงต่างกับอสมานาสนิกะ ได้ตกงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวสมานาสนิเกหิสหนิสิติตุรงอนุชานามิพิขเวติวัชสันตเรนะสหนิสิติตุงอนุชานามิโแปลว่าดุวัคคสะมันจังดุวัคคสะปีถังแปลว่าเราผู้ตถาคตยอมให้นั่งด้วยกันกับผู้มีอาชนะเสมอกันและยอมให้นั่งกับผู้มีลำดับ แห่งภาษาสามและยอมเตียงต่างแต่ผู้มีพวกสองคือนั่งได้แต่สองคนเท่านั้นถ้าเตียงต่างนี้นั่งได้สองคนแต่ถ้าพวกอาตมานาสนิกะนี่จะมานั่งด้วยกันไม่ได้ต่างกันเกินสามภาษาขึ้นไปเนี่ยผู้แก่กว่ากันหรือว่าอ่อนกว่ากันสองภาษาชื่อว่าติวัตสันตระก็คือผู้ที่มีลำดับแห่งภาษาสามนั่นเองชื่อว่าสัมมานาสนิกะ ผู้มีอาณาจาเสมอกันก็คือบรรษาหนึ่งบรษาสองบษาสามหนึ่งกับสามเนี่ยชื่อว่าแกกว่า ก, กันสองบรรษาเรียกว่าสมานาสนิกะถ้าเกิดหนึ่งกับสีนี่ต่างกันสามบรรษาแล้วนะอันนี้เป็นอาสมานาละอาสมานาสนิกะถ้าห้าหกเจ็ดตรงนี้ก็เป็นสมานาสนิกะถ้าเจ็ดแปดเก้าต่างกันสองบรรษาตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นสมานาสนิกะติวัตสันตะมีระหว่า ง, งสามบรรษาอะ ก็คือห่างกันสองบรรษัลนั่นเองอ่อนหรือว่าแก่กว่ากันสองบรรษัลเรียกว่าติวัตสันตะก็เรียกว่าสมานาสนิกะผู้มีอาสนะเสมอกันก็แลในผู้ที่แก่กว่ากันหรือว่าอ่อนกว่ากันบรรษัหนึ่งหรือผู้ที่มีบรรษัเสมอกันเหล่านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ก็เรียกว่าสมานาสนิกะแน่นอนตั้งแต่หนึ่งถึงสามบรรษัเนี่ยเธอทั้งปวงเหล่านี้สององค์ จะนั่งร่วมเตียงหรือว่าตัางอันเดียวกันได้อยู่ผู้ที่แกรหรือว่าอ่อนกว่าการยิ่งกว่ากําหนดนั้นชื่อว่าอะสมานาสนิกะผู้มีอาสนะไม่เสมอกันอนุญาตให้นั่นในที่ไม่ใช่เตียงตังได้อาสนยะยาวต่างๆนี้นั่งกับพู้ที่ทันสามารถประสามสานไปเนี่ยก็นั่งได้จานแต่ถ้าเป็นนั่งบนเตียงบนตังนี้นั่งไม่ได้ในดีกาวิมติวิโนโน ด, ดีท่านก็ยกมานะว่า แม้ผู้มีอาสนะไม่เสมอกันจะนั่งด้วยกันสามคนในอาสนะที่ไม่ใช่เตียงต่างนี้ได้อยู่ถ้าไม่ใช่เป็นอาสนะบนเตียงต่างนั่นก็มีปัญหาบางครั้งก็จะเป็นนั่งรถร่วมกับพระเถระพระใหม่ก็บรรษาหนึ่งสองนั้นพระเถระพรรษาสิบ 30, ขึ้นไปแล้วก็จะไม่นั่งมันเป็นอาสมานาสนิ ก, กะกันนะไม่มีอาสนะเสมอกันเพราะฉะนั้นจะเป็นนั่งก็ไม่เหมาะสมแต่ว่าเบาข้างหลังเนี่ยเป็นอาสนะ ยาวอาสนายาวไม่ใช่เตียงตังเพราะฉะนั้นบอกกล่าวว่าเทีย่ยะเท่าน่อยหนึ่งแล้วก็นั่งก็ได้ไม่มีอบัติต่อไปในเตียงตังใช่อาสนายาวก็คือไม่ใช่อาสนะยาวนั้นผู้มีอาสนะเสมอกันนั่งได้สององค์นั่งได้สององค์งององงเท่านั้นนะเฉพาะเตียงตังผู้มีอาสนะเสมอกันเท่านั้นจึงจะนั่งได้แล้วก็นั่งได้สององค์เท่านั้นด้วยแต่ถ้าเป็นอาสนะ ยาวเนี่ยอาสนะยาวที่ไม่ใช่เกียงตังจะนั่งสามองค์ขึ้นไปได้แล้วก็แม้อาสมานาสิกะไม่มีอาสนะเสมอกันก็นั่งด้วยกันได้พระเถระก็ได้ขอบอกกล่าวพระเถระก็นั่งได้เพราะพระองค์ทรงอนุญาตเตียงตังแต่ผู้มีพวกสองอย่างเดียวเท่านั้นเทียตุน ม, มื่อจะแสดงธรรมอยู่จะนั่งอาสนะเสมอกันหรือว่าสูงกว่าด้วยความเคารพในธรรมก็ดี และพิจูผู้เป็นเถ ร, ระเมื่อให้พิกจูนุมแสดงธรรมอยู่จะนั่งอาสนะเสมอกันหรือต่ำกว่าด้วยความเคารพในธรรมก็ดีควรอยู่เพื่อทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเวก็ความละนวเกนะกความละธรรมะคาระเวนะดังนี้ด้วยความเคารพธรรมข้อหนึ่งอย่านั่งนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ด้วยทรงห้ามไว้ว่าณนะพิขเวอุจาศยนะมหาศยนานิทาเรตบานิ ไสธีดังอาสันธิก็คำาละอุพโตโลหิตะกุปปะทานังแปลว่ายาพึงทรงคือนั่งนอนที่ที่นอนสูงที่นอนใหญ่ถ้าทรงต้องทุกกดที่นอนสูงที่นอนใหญ่นั้นดังนี้คืออาสันธิได้แก่าอาสนะคือเตียงตั้งสูงเกินะมานปันลังโกบันลังที่เขากระทำรูปสัตว์ร้ายติดเข้าในเท้า โคนกโกผ้าโกชาวใหญ่มีขนยาวได้ยินว่าขนอย่งผ้านั้นยาวกว่าสี่นิ้วจิตกาเครื่องล่าทําด้วยขนแกะวิจิตติลายเย็ดปักปติกาเครื่องล่าถาวทําด้วยขนแกะปฏิลิกาเครื่องล่าทําด้วยขนแกะมีลายดอกไม้แน่นเรื่องกันเขาเรียกว่าผ้าชาวโยนกผ้าธมินบ้างตูริกาผููประกอบด้วยนุ่นโดยปกติอย่างเดียว วิกติกาเครื่องลาดทำด้วยขนแกะวิจิตด้วยรูปราชสีเสือโครงเป็นต้นอุทธโลมิเครื่องลาดทำด้วยขนแกะมีขนขึ้นข้างเดียวเอกัน ต, นตโลมิเครื่องลาดทำด้วยขนแกะมีขนขึ้นทั้งสองข้างกติเสังเครื่องปูนอนทำด้วยได้ทองในระหว่างแห่นได้ไหมขิดด้วยทองโกสยังผ้าปูนอนทอด้วยได้ไหมขิดด้วยทอง ก็แลเป็นใหมล้วนไม่ขิดทองนี้ควรอยู่ปูตะกังเครื่องปูนอนทําด้วยขนแกะใหญ่พอนางฟ้องสิหกนางเนี่ยยืนรําได้หัดถัดตารางเครื่องลาดบนหลังช้างอาจถัดตารางเครื่องลาดบนหลังมา้ารัศด์ตารางเครื่องลาดบนรถอาชินะปะเวนี้เครื่องลาดเป็นชั้นขอยัดด้วยหนังเสือชื่อว่าอาชินะใหญ่ประมาณเท่าเตียงด้วยว่าหนังสัตว์จำพวกนั้นอ่อนสุ ข, ขุม จิ้มย็บซ้อนกันได้กทัทลมิคะตวร ะ, วะปัจจัดธารนังเครื่องปูนอนอย่างดีเขาทําด้วยหนังชมดได้ยินว่าคนทั้งหลายเขาลาดหนังชมดลงบนผ้าขาวทําเครื่องลาดอันนั้นสัจุตระเฉดังเครื่องลาดมีเพดานแดงผูกข้างบนด้วยแหนเพดานขาวข้างล่างเครื่องปูนอนเป็นอากาศยะมีอยู่ก็ไม่ควรเมื่อไม่มี เรื่องปุราที่เป็นอัศวิยะนั้นจึงควรอุพโตโลหิตะกุปะทานังที่นอนมีหมอนแดงในข้างทั้งสองแห่งเตียงคือหมอนศีรษะและหมอนเท้าที่นอนนั้นไม่ควรก็แลหมอนใดลูกเดียวในข้างศีรษะทั้งสองจะแดงหรือว่าสีดังดอกบัวหรือวิจิตก็ตามถ้าประกอบด้วยประมาณแล้วไส่ก็ควรห้ามแต่หมอนใหญ่อย่างเดียว ในดีกาแห่งขุตกาะสุขาบทกําหนดไว้ว่าอาสันธิและบัรลังชื่อว่าอาสนะสูงนอกนั้นชื่อว่าอาสนะใหญ่อาสันธิกับบรรลังเป็นอาสนะสูงส่วนอาเจสนาใหญ่ก็เครื่องลาดทั้งหลายนั่แหละอาสนะสูงอาสนะใหญ่ดังกล่าวมานี้ไม่ควรยาวไปด้านเดียวเนี่ยเรียกว่าเตียงก็คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยนะรี ส่วนที่รีรีเนี่ยเรียกว่าตังเตียงตั่งทั้งปวงถักด้วยหวายและตอกหรือว่าผูกด้วยผ้าทําด้วยกระดานมีเท้าคูหรือว่าเท้าตรงเท้ามากก้าปรตามแต่เท้าสูง8นิ้วด้วยนิ้วสุขศยกเชิงรองข้างล่างเสียควรทั้งสิ้นเลยถ้าไม่เกิน8นิ้วสุขศไม่นับเชิงรองด้วยถ้านับเชิงรองเชิงรองเท้าเตียงสูงได้8นิ้วเหมือนกัน8นิ้วช่างไม้นะจึงควรเพรานั้น 8ปดนิ้วของพระสุคตเป็นขนาดเท้าเตียงส่วนแปดนิ้วช่างไม้เป็นขนาดเึงรองรับเท้าเตียงนั้นก็รวมกันแล้วก็สูงพอสมควรสูงเกินนั้นไปไม่ควรด้วยสงห้ามและอนุญาตไว้ว่านาพิภเวอุจจามันจะปฏิปาดากาทาเรตบาอานิชานามิภเวก็คำละอัฏฐานกุละประระมังมันจะปฏิปาดาาตังต้อนอนุญาตเท้าเตียงไม่เกินแปดนิ้ว ว่าอย่าพึงทรงเชิงรองรับเท้าเตียงสูงถ้าทรงคือรองรับข้าวต้องทุกกดที่รองเท้าเตียงเนี่ยถ้าสูงเกินแปดนิ้เนี่ยต้องทุกกฎเราพูดตถาคตยอมอนุญาตเชิงรองรับเท้าเตียงเพียงแปดนิ้วเป็อย่างยิ่งแต่นิ้วช่างไม้อาสันทิก็คือตังสี่เหลี่ยมอาสันทิสนี้เป็นตังสี่เหลี่ยมถ้เป็นตังมรีนี่ก็เรียกว่าอาสันทิสเหมือนกันแต่ว่าไม่อนุญาตแต่ถ้าตังสี่เหลี่ยมนี้ แม้เท้าสูงกว่าแปดนิ้วสุขคตก็ควรอนุญาตไว้นะเมื่อตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิทเวก็กมละอุจจกกัมปิอาสันติกังอุจจกกัมปิอาสันติกังแม้สูง อ, อนุญาตเราผู้ทศกัณอนุญาตาตั้งสี่เหลี่ยมแม้สูงเตียงที่ทําพนักในข้างทั้งสามแม้ถึงสูงกว่าประมาณก็ควรเดื่อตรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิทเวก็กำละ อุจกรรมปิสัตตังคังอนุญาตองเจ็ดแมยสูงเราผู้ตถาคตอนุญาตเตียงมีองค์อวัยวะเจ็ดแม้สูงก็คือเท้าสี่แล้วก็มีพนักข้างสองพนักหลังหนึ่งก็เลยกลายเป็นเจ็ดสูงแม้เกินแปดนิ้วก็ใช้ได้นะต่อไปพระองค์ทรงอนุญาตนุ่นสามอย่างคือ รุกขะตูลังนุ่นแห่งต้นไม้ได้ แ, แก่นุ่นไม้นิ้วเป็นต้นหนึ่งและตาตูรังนุ่นแห่งถาวรมีเพชรสังฆาตและปักขสาศเป็นต้นหนึ่งโปตะ ก, กีตูลังนุ่นแห่งหญ้าเหลาโดยที่สุดแม้อ้อยและอ้อก็ชื่อว่าหญ้าเหลานึงด้วยนุ่นสามอย่างนั้นสมก็อเอาภูตคามทั้งปวงสิ้นด้วยว่าฝนชาติแห่งต้นไม้และถาวรและหญ้าสิ่งอื่นซึ่งจะเป็นภูตคามไม่มี เพราะเหตุนั้นนุ่นแห่งพูตคามอันใดอันหนึ่งย่อมควรในหมอนอย่างเดียวครั้นมาถึงฟูกเข้านุ่นทั้งพวงนั้นชื่อว่าเป็นอากาปิยะเต็มส้นจะเอานุ่นนั้นมาทําเป็นฟูกไม่ได้ทามาทําเป็นฟูกใช้นอนเนี่ยไม่ได้เป็นอากาปิยะเลยสมัยนี้ก็ไม่ได้ใช้นุ่นแห่งพูตคามอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอนะใช้เป็นใ ย, ยขังเคราะห์หมดเลยอ่นะใส่ในหมอนก็ ไม่มีปัญหาใส่ในฟูกก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ใช่เป็นนุ่นแห่งพูตธคามหรือว่านุ่นสามอย่างเนี่นะซึ่งอนุญาตในหมอนแต่ว่าพอถึงฟูกแล้วไม่อนุญาตแต่ว่าท่านเป็นใยสังเคราะห์อันนี้ก็ไม่มีปัญหาใช่แต่นุ่นนั้นควรในหมอนอย่างเดียวก็หาไม่แม่ขนแห่งนกทั้งปวงเป็นต้นว่าหงและนกยูงและขนสัตว์สี่เท้าทั้งปวงเป็นต้นว่าราชสีจ้ามควรใช้วัตถุอื่นมาทําหมอนก็ได้นะ ก็แลดอกไม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นว่านดอกประยองและพิกุลอามาใช้ทําเป็นนุ่นไม่ได้ใบไม้ใบพิมพ์เสนอย่างเดียวล้วนไม่เจืออื่นไม่ควรเจือด้วยใบไม้อื่นจึงควรแม้นุ่นห้าอย่างมีนุ่นคือขนแกะเป็นต้นที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้ในฟูกก็ควรในหมอนด้วยดังนั้นหมอนนี้จะเอาวัตถุอะไรมาทํานี้ได้หลายอย่างเลยนะอยกเว้นพวกดอกประยองดอกพิกลอันนี้ไม่ควรอามาทําเป็นหมอน เดีวสูดดมของหอมอนะพวกนี้ก็ไม่ควรแล้วก็ไปพินเสนอย่างเดียวล้วนเนี่ยไม่ควรจะมาทําเป็นหมอนนุ่นฟูกห้าอย่างนี้ป้ามาทําฟูกด้วยทํามอนด้วยก็ได้พระองค์ทรงอนุญาตฟูกห้าอย่างก็คืออุณหพิติทธฟูกยัดด้วยขนแกะหนึ่งโจระพิสิทธฟูกยัดด้วยท่อนผ้าหนึ่งวาตะพิติทธฟูกยัดด้วยเปลือกไม้หนึ่งตินา้าพิติทธฟูกยัดด้วยหญ้าหนึ่งปันนาพิติทธฟูกยัดด้วยใบไม้หนึ่ง นับพูกเป็นห้านั้นนับตามของที่เป็นนุ่นในภายในที่ว่าขนแกะนั้นใช่แต่ขนแกะอย่างเดียวขนแห่งสัตว์ที่มีปีกและสัตว์สีเท้าซึ่งเป็นชาติสัตว์มีเนื้อเป็นกัปปิยะหรือว่าอาตัตบิยะซิ่งใดๆไม่ว่ายกแต่ขนมนุษย์เสียขนนอกนั้นสงเคราะห์เข้าด้วยขนแกะในที่นี้ทั้งสิ้นเลยไอ้ขนสัตว์อะไรกะไดยกเว้นขนมนุษย์ เพราเหตุนั้นจะทําจีวรโดยจาเนรหกอย่างและผ้าจึงเป็นอนุโลมหกอย่างสิ่งใดสิงหนึ่งทำเป็นเปลือกฟูกแล้วก็ยัดขนตัดทั้งปวงเข้าข้างในแล้วทําเป็นฟูกก็ควณสมัยนี้ก็สําเร็จรูปหมดแล้วแล้วพระพิสูจน์ก็ไม่ค่อยนิยมจะนอนเท่าไหรอ่อายุมากๆยิ่งไม่ดีเลยนอนฟูกแก็นอนเสือ้อธรรมดาแต่ถ้ามีการอนุเคราะ์เอามาถูกต้องตามพระธารมวินัยก็ไม่มีปัญหาอะไรแม้ฟูกซึ่ง พับผ้ากำพลเข้าสี่ชั้นหรือว่าห้าชั้นไว้ภายในกระถาก็ดีก็นับว่าผู้คนแกะด้วยใช้ผ้ากำพลพับเข้าไปไว้ข้างในก็แลู้กยัดด้วยใบไม้นั้นยกใบพิมนเสนเสียใบไม้ใดๆไม่ว่าควรทั้งสิ้นเลยยกเว้นใบพิมนเสนอาจจะชุน ห, หน่อยก็แต่ใบพินเสนเจือด้วยใบไม้อื่นจึงควรถ้าใบพินเสนล้วนๆนั้นไม่ควร ในอัตถกถ า, ากุรุนทีกล่าวว่านุ่นห้าอย่างมีขนแกะเป็นต้นอันใดซึ่งควรในพูกนุ่นนั้นในมัสสุรกะก็ควรเหมือนกันด้วยคำนั้นเป็นอันสาเร็จความลงว่าจะบริโภคมัสสุรกะก็ควรในดีกาสารัตทีปณีก็ไขบทมัสสุรกะว่าจำมะมยะพิสิแปลว่าฟูกหนังฟอกนั่นเองมัสสุรกะ ก็คือฟูกหนังฟอกเอาหนังเนี่ยไปฟอกมันก็ยิ่งนิ่มมากขึ้นเลยคงจะนอนสบายเงี้ย น, นะต้องทำปริญญาด้วยก็อนุญาตให้นอนในฟูกหนังฟอกได้ในสารสถานชีปนีแล้วก็ในอัต ถ, ถากุรุนทีกำหนดประมาณแห่งฟูกไม่มีมจะใช้ฟูกอย่างไรอี่อย่างนะฟูกเตียงฟูกตังฟูกราดพื้นฟูกที่จงกรมฟูกเช็ดเท้า เหล่านี้พึงกําหนดตามสมควรแล้วก็ทําประมาณตามชอบใจเถิดก็ให้รู้ประมาณอีกข้อหนึ่งอย่าทรงหมอนใหญ่ประมาณตึ่นตายด้วยทรงห้ามและทรงกําหนดอนุญาตไว้ว่าณพิขเวอัตกายิกานิพิมโบหนานิทาเรตบาลิอนุชานามิพิทเวข้อควละศีรษะประมาณนางพิมโมหานังพิมโมหานังนี้ก็คือหมอน แปลว่ายาพึงทรงหมอนทั้งหลายใหญ่ประมาณตึงกายคือใหญ่หนุนได้ตั้งแต่สะเอวถึงศีรษะถ้าตรงต้องทุบกดโอจะเป็นหนุนอะไรหมอนใหญ่ตั้งแต่เอวถึงศีรษะดาวผู้ตถาคตอนุญาตหมอนประมาณเทียงศีรษะคือกว้างพอวางศีรษะทั้งสิน้นกับคอด้วยได้ลักษณะทําหมอนก็เอาผ้าอุดศีษะหมอนข้างๆเนี่ยผ้าที่อุดศีรษะสี่เหลี่ยมพับที่แยงมุมเข้าให้เป็นสามมุม วัดระหว่างมุมทั้งสองด้านกว้างคืบสี่นิ้วต่าคืบสี่นิ้วที่กว้างด้านทะแยงมุมกว้างศอกมุติสอกคาก็แต่โดยยาวตัวหมอนสอกคืบหรือว่าสองสอกก็ได้ตัวหมอนนาะ น, นะแต่ว่าไอตัวปิดหัวหมอนเนี่ยทับทแยงมุ ม, มเป็นสามมุมแล้วก็วัดระหว่างมุมทั้งสองด้านกว้างคืบสี่นิ้ว ที่กว้างด้านชา ย, ยางมุมแล้วก็กว้างต่อกุตริต่อกําเนี่ยนะหมอนกว้างยาวเท่านี้ชื่อว่าหมอนประมาณเทียงศรีรษะคํานี้กล่าวไว้ในอัตตกถากรุนทีซึ่งว่านั้นเป็นหมอนกลมถ้าเป็นหมอนอิงหรือเป็นหมอนขวานดังในประเทศไทยพึงกระทําส่วนกว้างแต่คอขึ้นไปถึงศีษะให้ได้คืบสี่นิ้วอันนี้เป็นอัตโนมัติของท่านนะ ถ้าเป็นหมอนอิงหรือว่าหมอนควาาให้ได้คืบสี่นิ้วอาศัยในในดีกาวิวมติวิโนโทนีว่าหมอนกลมจะเย็บให้กลมหรือว่าให้เป็นสี่เหลี่ยมก็าตามเพืองเย็บโดยกว้างพ ย, ายงมุมผ้าหัวหมอนให้ได้ประมาณศอกมุธิก็คือศอกกัม น, นั่นเองอันนี้กำหนดอย่างอุกริแองหมอนที่มีศีสังเป็นประมาณหมอนมีสีสังเป็นประมาณนะ เบื้องบนแต่ประมาณนั้นขึ้นไปไม่ควรตามลงมาจึงควรก็เล็กได้แต่ใหญ่ขึ้นไปไม่ได้ที่สุดไม่เป็นไข่จะใช้หมอนศีสระหมอนเท้าสอง น, นี้ย่อมควรใช้หนุนเท้าก็ได้นะใช้หมอนเล็กอย่างนี้นะพระกุสลเทวเทระท่านกล่าวว่าหมอนทําด้วยนุ่นเป็นกัปปิยะห้าที่พระองค์ทรงอนุญาตในปูกแม้จะใหญ่ก็ควรส่วนพระอุปษษติสสะเทเทระผู้ทรงวินัยท่านกล่าวว่า เมื่อคิดว่าจะทําหมอนและใช้นุ่นเป็นกับบิยะก็ตามอากับบิยะก็ตามประกอบด้วยประมาณจึงควรก็ให้ได้ประมาณไปแล้วกันจะทํากับบิยะอากับบิยะยังไงก็แล้วแต่ก็แลกเครื่องลาดเป็นอากับบิยะเป็นต้นว่าผ้าโกชาวใหญ่มีขนยาวดังกล่าวแล้วในก่อนจะปูลาดบริโภคในเตียงตังในวิหารของสงหรือว่าของบุคคล น, นั้นไม่ควรนะถ้าเป็นเครื่องลาดอากับบิยะทั้งหลายในี่ยนะ จะไปปูรา่าหนึ่งแห่งสงของบุคคลไม่ได้ถึงนั้นก็แลปูราาบริโภคในธรร ม, มาทโดยนิยมแห่งที่หิวิกัดของกระถัดได้อยู่ถ้าจะไปใช้แบบเป็นของกระถัดนี้ได้จะนอนในที่นั้นไม่ควรให้นั่งได้แต่ว่าไม่อนุญาตให้นอนในเครื่องราชเป็นอกับยะเช่นนั้นเป็นที่หิววิจัดของกระถัดอยู่ในธรร ม, มาทหรือว่าในโรงฉันหรือว่าในระแวกบ้านจะนั่งทับควรอยู่จะนอนทับไม่ควร ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวข้อความละถ้าเปตตวาตีนิอาสันดิงปันลังกังตูริกังอวะเสสังทิหิวิก ต, ตังอภินิสีดิตุงณานะตะเววะอภิณิพัทฉิตุงอันุญาตที่นั่งได้ไม่ให้นอนแปลว่าเราผู้ตถาคตอนุญาตให้นั่งทับเครื่องลาดเป็นที่วิกัร์นอกนั้นเว้นแต่ของสามอย่างคือ เตียงต่างสูงกว่าประมาณอย่างหนึ่งและบัลลังก์เท้าติดด้วยรูปสักร้อยอย่างหนึ่งและฟูกเบาะยัดด้วยนุ่นอย่างหนึ่งนี่ไม่อนุญาตสามอย่างเหล่านี้เสียแต่ไม่ยอมให้นอนอิงนอนทับในอิงว่าอนุญาตให้นั่งทับเครื่องลากของเครื่อที่หกีฬาจับใช้แบบของเครื่องหัดของสามอย่างนี้ถ้าใช้แบบของกครื่องหัดเอาไว้ในโรงทำอะไรต่างๆโรงฉันต่างๆได้นะเตียงต่างสูงกว่าประมาณ บัรลังเท้าติดด้วยรูปตะร้ายแล้วก็ผูกเบาะยัดด้วยนุ่นเพราะฉะนั้นก็อนุญาตให้นั่งทับได้แต่ว่าไม่อนุญาตให้นอนให้นอนอิงนอนทับก็แลจะนั่งทับเตียงต่างซึ่งพุ่มด้วยนุ่นข้างในในโรงฉันในระแวก บ, บ้านอย่างเดียวควรอยู่จะนอนในเตียงต่างนั้นไม่ควรได้ทรงอนุญาตและกาหนดไว้ว่าอนุชานามิพิคเวก็คำละที่หิวิกตตัง อภินิสีติตรงนาตะเววะอภินิปัชิตุงดังนี้ก็แลเตียงตังรัดด้วยหนังเป็นต้นก็ควรด้วยทรงอนุญาตด้วยว่าอนุชานามิกอคมละโอนัทมัญจังโอนัทปีถังดังนี้ผ้าปาวารโอปาวารโอผ้วานโกส ย, ยงางผ้าไหมยโกชโวผาโกเชากำผพลังผ้ากำพล เหล่านี้เป็นของสงฆ์ก็ตามเป็นของบุคคลก็ตามบริโภคในวิหารหรือว่าในตะแวกบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งตามสบายก็ควรด้วยเป็นของพระองค์ทรงอนุญาตไว้แล้วก็แต่ผ้าโกชาวนั้นเป็นผ้าโกชาวย่ยปกติอย่างเดียวจึงควรผ้าโกชาตที่มีหลังใหญ่ขนยาวไม่ควรบานประตูเตียงต่างพัดใบาตาลเหล่านี้วิจิตรด้วยทองเงินเป็นต้น หรือหม้อน้ำขันน้ำแล้วด้วยทองและเงินคือทำเป็นที่ทองเงินและของสิ่งใดเป็นของประกอบด้วยจิตรกรรมลายวาดเขียนพอดีทั้งฟวงในเสนาสนะบริโภคคือเป็นเครื่องใช้สําหรับเสนาสนะย่อมควรทั้งสิ้นเลยเอาจะเป็นทองเงินเงินจะจับต้องอะไรจะดูแลปัดปัดอะไรได้ทั้งนั้นถ้าเป็นของประจำเสนาสนะแต่ว่าถ้าไม่ใช่ของประจำเสนาสนะนี้ห้ามจับต้องพวกอสังหาภิยักษ์พวก อ, กวกอนามาสทั้งหลาย ด้วยตรงอนุญาตไล้ว่าอนุชานามิพิทเวก็ความละสับบางปาสาะปริโคขคังดังนี้แปลว่าเราพูดตถาคตอนุญาตเครื่องบริโภคในปราสาททั้งปวงทายกทั้งหลายกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายทาดหญิงทาตชายไรนาที่ดินโคกระบือแก่ปราสาทดังนี้จิตตึงจะรับรแผนกหนึ่งตางหากไม่มีเมื่อรับประสาทแล้วก็เป็นอัน รับแล้วแท้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการแยกแยกสวายทั้งหากอีกข้อหนึ่งอีกทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิคเวก็ความละอาสันติยาปาเดฉิ ด, ดิตตวาปริพุนชิตุงปัญลังกัะวาเรฉิดดิตตวาปริพุนชิตุงตูริกางวิชเตตวาพิมโบหานาังกาตุงอาวสีสงังภุมมัทธรนังกาตุงแปลว่า เราผู้ตถาคตอนุญาตให้ตัดเท้าเตียงตังที่สูงเกินประมาณเสียแล้วจึงบริโภคและให้ทำลายรูปสัตว์ร้ายซึ่งติดอยู่ในบันลลังก์ออกเสียแล้วจึงบริโภคฟูกนุ่นให้สางแยกเอานุ่นออกทำหมอนเครื่องราชเป็นอากบิยะนนอกนั้นมีผ้าโกชาวขนยาวและเครื่องราชทำด้วยขนแกะวิจิตรด้วยลายเย็บลายตัดเป็นต้น ให้ทำเป็นเครื่องราดทื้นในเสนาสนะก็ให้เป็นของเสนาสนะไปก็ได้ไม่เปไรเพราะว่าขอในเสนาสนะนีอนุญาตทุกอย่างข้อนหนึ่งอาสนะเขาปูไว้ไม่ได้พิจารณากร อ, อย่างนั่งถ้านั่งลงต้องทุกกดด้วยทรงห้ามไว้ในวินิจตวัตถุว่าณจะพิขเวอปัจจเวคิตวาอาสนีนิสีดิตับบังดังนี้อาสนะเช่นไรจะต้องพิจารณาอาสนะเช่นไรไม่ต้องพิจารณา อาสนะใดเป็นอาสนะเปล่าไม่มีเครื่องลาดก็ดีและอาสนะใดเขาปูลาดเมื่อมายืนและเห็นอยู่อาสนะเหล่านี้นั้นไม่ต้องพิจารณาจะนั่งลงก็ควรเพราะว่าต้นเหตุต้นบัญญตัติลปะวิสุกธิ์ไปนั่งทับเด็กตายไม่เด็ดพิจารณาก่อนเด็กเข้าไปมุดอยู่ใต้อาสนะพงจะนั่งลงแรงนะเด็กตัวน้อยก็เลยตายก็เลยบัญญัติให้ต้องพิจารณาก่อนการพิจารณาในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพิจารณาโดย ข้าพเจ้าปรโิโภคใจถ้อยเสนะสนะแล้วไม่เป็นไปเพื่อบำบัดหนาวบำบัดร้อนอันไม่ใช่อย่างนั้นนะนั้นพิจารณาด้วยก็ดีแต่พิจารณาตรงนี้นี่ถ้าไม่พิจารณาในต้องอาบัดนี่หมายถึงว่าพิจารณาว่ามีอันตรายหรือว่ามีตัดเข้าไปอยู่ในอาสนะนั่นหรือเปล่าก็จะได้ไม่ทําให้คนอื่ น, นต้องร้อนอแม้อาสนะใดคนทั้งหลายเขาเอามือกดลงเองแล้วร้องนิมวนต์ว่าท่านจงนั่งในที่นี้แม้ในอาสนะนั้นก็ควรก็คือไม่ต้องพิจารณาก็นั่งลงไปได้ ผ้าแม้ทิศทั้งหลายนั่งอยู่ก่อนแล้วภายหลังขยับไปข้างบนหรือว่าข้างล่างจิตซึ่งจะต้องพิจารณานั้นไม่มีแม้อาสนะใดเขาเอาผ้าบางปูปิดไว้เห็นพื้นล่างปรากฏอยู่จิตซึ่งจะพิจารณานในอาสนะนั้นก็ไม่มีก็แลอาสนะใดเขาปูด้วยผ้าตาวานและผ้าโกเชาเป็นต้นไว้ก่อนแล้วอาสนะนั้นต้องพิจารณ า, าคือ เอามือลูบลงกําหนดดูแล้วสิ่งนั่งตั้งมือเป็นรูปลูกว่ามีตัวสัตว์มีตัวอะไรมีของแหลมมีอะไรจะเปะ็นชุดสร้อยก้นเอาหรือเปล่านี่ก็ต้องพิจารณาอย่างนี้ก็แลอัตกระถามหาปัจจรีกล่าวไว้ว่าในอาสนะที่เขาปูลาดด้วยผ้าหนาเกลียวไม่ปรากฏอาสนะนั้นก็ไม่ต้องพิจารณาก็ได้ไม่ต้องพิจารณาก็ได้แต่ปกติของบาวิสุก็ควรจะพิจารณาพิจารณาโดยพระวินัยอย่างนี้อย่างหนึ่งแล้วก็พิจารณาโดย ธรแล้วคือบริโภคใช้สอยเพื่อประโยชน์อะไรเป็นศาสตะสมชัญญะข้อหนึ่งอย่านอนในที่นอนทั้งหลายอันเรียรายด้วยดอกไม้ถ้าเธอใดนอนต้องทุกตกด้ดยทรงห้ามไว้ว่าณพิสเวปุปผาพิกินเนสุตยะเนสุสยิตบังดังนี้พระองค์ทรงอนุญาตไว้ว่าได้ของหอมแล้วให้เจิมในบานประตูได้ดอกไม้ให้วางข้างหนึ่งในวิหาร ข้อหนึ่งอย่าห้ามอาสนะพิสุกแกด้วยตรงอนุญาตและห้ามไว้ว่าอนุชานามิพิขเวก็ควาละยะถาวุฒังอภิวาดังก็ความละอิเมโขพิขเวตโยวันดิยาก็ให้ไหวสามบุคคลไม่ให้ไหวบุคคลนอกนั้นแปลว่าเราผู้ตถาคตอนุญาตการอภิวาสตราบไหวและการลุกรับการทำอัญเฉลี่ยกรรมและสามีชีกรรม และอาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศคือน้ำทักสิโนทกและก้อนข้าวอันเลิศคือก้อนข้าวควรแก่ข้าเถระเหล่านี้ตามลำดับผู้แก่พรรษาก็อนและทิจูอย่าพึงห้ามอาสนะของสง์ตามลำดับผู้แก่พรรษาถ้าเธอใดห้ามต้องทุกข์กดแล้วต่อไปพระองค์ก็ทรงแสดงคนไม่ควรไหว้และคนควรไหว้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายบุคคลไม่ควรไหว้มีสิบประเภทดังนี้คือ ปุเรอุปสัมปันเนนะปัจฉาอุปสัมปันโนอวันติโยผู้อุปสมบทภายหลังอันผู้อุปสมบทก่อนไม่ควรไหว้อย่างหนึ่งอดี s e c o ก็อนุปปะสำปันโนสำมนเนและกฤหัตไม่ควรไหว้นานาสังวาสโกวุฒาสโรอัธรรมวาดีผู้มีสังวาต่างกันโดยลัทธิแม้เป็นผู้แก่กว่าแต่เป็นผู้กล่าวสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมอันนี้ก็ไม่ควรไหว้ มาตุคาโมก็คือหญิงไม้ควรไหว้ปันตะโกกะเทยไมีควรไหว้ปาลิวาติโกผู้ต้องครุกาบัตดแล้วอยู่ปริวาสอย่างหนึ่งมูลายาปฏิกัสนาระโหผู้ต้องครุกาบัตดแล้วประพฤติวัดอยู่กลับต้องครุกาบัตดอีกในระหว่างนั้นควรจะรับปฏิกัสนะก็คือกลับชักเข้าห า, าบัรเดิมอีกอันนี้ก็ไม่ควรไหว้มานัตตะระโหผู้อยู่ปริวาสแล้วควรจะรับมานัตก็ไม่ควรไหว้เหมือนกัน มานัต จ, จาริโกผู้ที่รับมานัตแล้วมาประพฤติมานัตอยู่ก็ไม่ควรไหว้อัภาณะระโหผู้ที่ประพฤติมานัตครบหกราตรีแล้วควรอัภานกรรมอันนี้ก็ไม่ควรไหว้เหมือนกันสิบพวกนี้ชื่อว่าอะวันดิยะเป็นคนไม่ควรไหว่บุคคลควรไหว้มีสามประเภทเท่านั้นก็คือปัจฉาอุปสำปันเนนะกุเรอุปสัำปันโนวันดิโย ผู้อุปสมบทก่อนอันผู้อุปสมบทที่หลังจะพึงว่าอยู่ต้องไหว้นานาสังวัตโกวุฒทะตะโรธรรมวาดีผู้มีสังวาตต่างกันโดยลัทธิแต่เป็นผู้แก่กว่ากล่าวสิ่งที่เป็นธรรมว่าเป็นธรรมอันนี้ก็ไหว้ได้แม้จะมีลัทธิต่างกันหมายถึงเป็นพอใจกับพวกที่ถูกยกวัดสะเดวเกโลเกภิกขเวขอความละตถาคตโออัฏฐังสัมมาสัมพุโทโธ ถ้าตถาคตผู้อรหังสมมาสัมพุทธะเป็นบุคคลควรไหว้ในโลกทั้งเทวดามารพรหมในมูสัตทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้ชื่อว่าเป็นวันทิยะบุคคลสามประเภทนี้ที่สุห้าประเภทมีปริวาสิกะเป็นต้นก็คือผู้อยู่ปริวาสผู้ที่ทักษะบัตรเดิมผู้ประพฤติมนัตควรแต่มนัตแล้วก็ผู้ที่ควรจะอภานเนี่ยไม่ควรไหว้นะ แห่งที่สุปกตาตะที่สุปกตาตะจะไปไหว้ที่สุที่ประพฤติกรรมอยู่วุฒานคาณาญีเหล่านี้ไม่ได้ไหว้บุคคลไม่ควรไหว้สิบนี้เป็นอบัติทุกกฎทั้งสิบเลยพวกผู้หญิงก็ไม่ควรว่ากระเทยบันดา อ, อะไรพวกนี้ที่สุอ่อนภาษาป่าด้วยอนุสัมบัณพวกนี้ถ้าไหว้บุคคลสิบจําพวกนี้ต้องอบัติทุกกฎแต่ว่าในคำทีปริวาระกล่าวบุคคลที่ไม่ควรว่าอีกสาหมวด สามหมวดก็อีกสิบห้าบุคคลหมวดละห้าหมวดละห้าเนี่ยก็เลยกลายเป็นยี่สิบห้าบุคคลดังนี้ว่าอันตรครางประวิถโผผู้เข้าไปแล้วอย่างละแวกบ้านอันนี้ก็ไม่ควรไหว้รับฉังขาโตผู้ไปตามตรอกอย่างหนึ่งโอตะมาสิโกผู้อยู่ในที่มืดจะไหวผ้ผูนี้นะผากจะไปกระทบกับทเท้าเตียงก็ได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ในที่มืดจึงไม่ควรไหว้กันอสมัม น, นาหะรันโตผู้ไม่สมน า, นาหาร ซึ่งการว่าคื อ, อยังไม่ได้ตั้งใจไมไ่สนใจการว้นะั้นเพราะว่าขวนขวายอยู่ในจิตอื่นไม่ได้ประมวลไม่ได้รู้ว่าเรากําลังจะว่าห ย, ยุดนั่นต้องเรียกข อ, อการท่านสุดโตก็คือผู้นอนหลับอย่างหนึ่งอันนี้หมวดแรกนะห้าบุคคลละยากูเปนะบุคคลที่ดื่มข้าวต้อมอยู่ในเวลาดื่ ม, ข, ม, มข้าวาต้มมีควรไหวพัตตะเคผู้อยู่ในโรงฉันก็ไม่ควรญไหวเอกาวัตโตผู้ที่หมุนไปข้างคือคนที่เป็นข้าศึกคนมีเวนเป็นศัตรูกันนี่นะ ผู้นี้เมื่อไหว้ก็จะพึงประหารผู้ไหว้แม้ด้วยเท้าได้เพราะเหตุ น, นั้นจึงไม่ควรไหว้อัญญาวิหิตโตผู้สงใจไปคิดเรื่องอื่นอยู่กําลังเมือลอยอยู่ก็ไม่ควรไหว้ต้องได้ยกให้รู้ตัวนักโคผู้เปลือยกายไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มอยู่ไม่ควรไหว้นี่ก็อีกห้าบุคคลขาด้ันโตผู้เคี้ยวกินของเคี้ยวมีแต้งขีเป็นต้นไม่ควรไหว้คุณชันโตผู้ฉันโผนโชนะทั้งห้าอยู่ก็ไม่ควรไหว้ อุจารังกรลโณโตผู้ถ่ายอุจระอยู่ปัสสาวังกรลโณตผู้ถ่ายปัสสาวะอยู่สองนี้ก็ไม่ควรวหวเพราะว่าอยู่ในที่ใช่โอกาสก็คือไม่ใช่โอกาสที่จะไหวเลยกำลังนั่งต่อุจร้านั่งปัสสาวะอยู่ในนัดก็ไม่ควรจะไปไหวแล้วก็อุขิตตะโกที่สุผู้ที่สงยกวัดด้วยอุกเขปนิยกรรมทั้งสาก็คือไม่เห็นอาบัติไม่แสดงคื่ออาบัติแล้วก็มีวิจัยทิศไม่ยอมสละำืน ก็แต่พิจุที่สงยกวัดด้วยกรรมอื่นมีตัตชนียกรรมเป็นต้นสี่จำพวกควรจะไหว้เธอได้ก็คือตัตชนีกรรมแล้วก็ปภาชนียกรรมนิยัสกรรมพวกนี้นะไหว้ได้ไม่เป็นไรด้วยว่าแห้จะทงอุโบสถปรณนากับเธอเหล่านั้นก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกห้าบุคคลในอวันิีย่าบุคคลสิบ้าตั้งแต่ต้นมานี้ไหว้บุคคลสองจำพวกคือ ผู้เปลือยกายกับผู้ที่อันสงยกวัดจึงเป็นอบัตก็แลห้ามไม่ให้ไหว้พิตุสิบสามจำพวกนอกนั้นด้วยเป็นอาสาวรูปไม่สมควรคือไม่งามและห้ามด้วยเหตุดังกล่าวแล้วในระหว่างระหว่างแต่ว่าถ้าไหว้บุคคลสิบจำพวกแรกกับพวกที่เปลือยกายแล้วก็ถูกทรงยกวัดสิบสองจำพวกนี้ต้องอบัตทุกกฎนอกนั้นอีสิบสามจำพวกนี้ไม่มีอบัตวันนี้ก็คงจะสมควรอยู่เวลาเอาไว้สอนในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน กอขอให้ท่านได้ปัตาในการที่จะรักษาพระวินัยเพื่อกูลแก่ธรรมะคือการที่จะเจริญทั้งไตรจิตาเศรษฐมณฑที่ปัญญาอันเป็นสมถาวิปัสสนานี้แหละศีนก็ส่งเคราะห์สมถะวิรติสามในองค์มรสมาวายมะสมมาสติสมาสมาธิทั้งหองค์นี้ก็สงเคราะห์สมถะส่วนสมาธิจิตต์สมาสังคปตนนั้นวิตกกับปัญญาเนี่ยก็ส่งเคราวิปัสสนาเพราะนั้นก็ให้ศีนเป็นปัจจัยเพื่อกูลแก่สมถาวิปัสสนาจนตั้งได้บรรลุใน อริยมรรคในองมะรคอยตัดรู้อริยสัจธรรมโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ